ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวิลยะสังฆาอตตถาพระสารีบุตรมหาเถระชาสีลังการชนาพระมหาอาคมธรรมคาโมแปลเรื่องที่สามสิบสามกรรมมากรรมะวินิชยกะถากะถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องสังฆกรรมน้อยใหญ่ต่อ ก็ในกรรมวรฏนี้มีวินิจฉัยในกรรมลักษณะแม้ที่พ้นจากลำดับแห่งพระบาลีพึงทราบดังต่อไปนี้จึงอยู่ขึ้นชื่อว่ากรรมลักษณะนี้ทรงบัญญัติภิกษุณีสง์เป็นมูลก็คือเรื่องของกรรมลักษณะก็เกิดจากการที่ภิกษุณีสงกระทำวันที่ยัการันก่บพิษุที่ประพฤติไม่เอื้อเฟื้อมีอการขันแกล้ง ศาสตร์โคลนแกบบ่พิสดีบ้างเปิดกายอวดทิสดีบ้างให้ทิสดีนั้นไม่ต้องกล่าวว่าได้โดยการอภิโลกณากรรมอันนี้เป็นกรรมลักษณะแต่ย่อมได้แต่พิจูสง์ด้วยแท้ก็พิกจูสงท์ทําอภิโลกณากรรมใดได้โรงสลากโรงพัดและโรงอุโบสถอภิโลกณากรรมแม้นั้นเป็นกรรมลักษณะแท้ก็คือเป็นกรรมลักษณะเหมือนกันอันการที่พิจูผู้ฉดาด ให้ประชุมส่งแล้วส่วนประกาศเพียงครั้งที่สามทำอปโรกณักกรรมให้จีวรแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีจีวรถูกฉิงมาไปผู้มีจีวอนเก่าและผู้มีจีวอนหายย่อมควรแต่ของเล็กน้อยมีเข็มเป็นต้นมีประเภทจึงกล่าวแล้วในคาถาว่าด้วยการแจกปัจจัยศีอภิสุผู้แจกของเล็กน้อยแม้ไม่ต้องอปโลก็ให้แก่ภิกษุผู้ทําชีวรได้ เทีสูผู้แจกของเล็กน้อยเท่านั้นเป็นใหญ่ในการให้ของเล็กน้อยเหล่านั้นเมื่อจะให้ของที่เกินกว่านั้นต้องเอาปลาหลกให้ก็คือต้องบอกกล่าวส่งให้รับทราบจึงให้ได้เพราะว่าส่งเป็นเจ้าของในการให้ของที่เกินกว่านั้นแม้ทีลาดะเปยตซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วได้เสนาสนะขันทกัดวันนดา น, นั้นอนที่สู่ผู้แจกของเล็กน้อยฝึงให้เองก็ได้ คือถ้าเป็นเพศแท้ไม่้ากดีนะเพื่ออปโลอให้แก่ที่สู่ผู้ต้องการเมากถ้ามีเมากต้องการเพศมากก็ต้องอพอลองให้ก็แต่ว่าที่สุ่ใดไม่มีกำลังก็ดีเป็นง่อยก็ดีไม่มีแรงขาดที่เที่ยวพิษอาจารย์ก็ดีอาภาษณ์ดก็ดีสําหรับที่สุ่นั้นเมื่อจะให้เข้าสารดึงดารหรือกึ่งเดานทุกๆวัน หรือจะให้เข้าสารห้าธนาหรือศิทธนาเฉพาะวันเดียวจากกัปรปนาสงที่เกิดในที่นั้นไในอาวาันใหญ่ทั้งหลายต้องทําอัปโล ก, กนรกรรมให้ถ้าจะให้บ้ากขนาดนี้นเพื่ อ, อัปโลกเพื่อจะปลดกังวลคืนดีแก่พิสุผู้มีศีเป็นที่รักก็ดีจะให้เสดจาระที่ไม่ต้องย้ายแก่พิสุผู้เป็นพหูสูตรผู้ช่วยภา ร, ะระสงก็ได้จะให้เบี้ยเลี้ยงแก่อาราธิกชน มีกับพิยก า, ารลบเป็นต้นผู้ทำกิจของสงก็ดีจากกันปรปนาสงที่เกิดในอาวาานั้นควรให้ด้วยอาปโลกณกรรมเท่านั้นจะให้บัมรุงอาวาาของสงจากการปรนาสงที่เกิดขึ้นในอาวาานั้นซึ่งทายกถวายด้วยอำ น, นาจจะถูกปัจจัยก็ควรแต่เพื่อตัดคำติดเตียนว่าทิกตุนี้ย่อมจัดการด้วยถือตอนเป็นใหญ่จึงควรถามสงที่ในโรงสละเป็นต้น หรือในที่ประชุมอื่นสียก่อนจึงให้บํารุงอาวาสอาทิตตุชลาเพึงอัปโลกแล้วให้บํารุงแล้จากการปรดาสงที่เกิดขึ้นในอาวาสนั้นที่ทายกเจาะจงถวายเพื่อประโยชน์แก่จีวรและบินทบาตแม้จะไม่อัปโลกก็ควรแต่เพื่อจะตัดคำติเตียนทึ่เกิดขึ้นอย่างนี้ว่าอาิตตุนี้กล้าจริงนสนะให้บํารุงอาวาสจากการปนาสง ที่เขาเจาะจงให้เพื่อประโยชน์แก่ชีวและบินทบาลพึงทำอัปโลกณกรรมแล้วพึงให้บำรุงป้องกันขารติดเตียนก mm ็ hmm. settling, yeah. แจ well, yeah. okay. mm ้งถ้อทราบด้วยการอัปโลกณกรรมแบบดีที่สุดเมื่อทำฉัดหรือพยทีที่เจดีเรือนโพหรือหอฉันซึ่งยังไม่ได้ทำก็ดีจะปฏิสังขรณ์สิ่งที่สุดสมก็ดีจะทำการก่อด้วยปูนขาวก็ดี ชักชวนพวกชาวบ้านช่วยทำก็ควรถ้าไม่มีผู้ทำเพึงให้ทำจากรายได้ที่ฝากไว้เพื่อเจดีแม้เมื่อรายได้ที่ฝากไว้ไม่มีก็เพึงทำอัปโล ก, กนกกรรมแล้วให้จัดทำจากกลลปณาสงที่เกิดขึ้นในอาวาสนั้นจากอัปโลกแล้วกระทากิจของเจดีแม้ด้วยทรัพย์ของสงก็ควรแม้อัปโลกแล้วทากิจของสงด้วยทรัพย์ของเจดีหาควรไม่จเจ้าทรัพย์ของเจดีมา ทำให้จ่งไมได้แต่ว่าเอาทรัพย์ของส่งไปทําเจดีย์ได้เพราะว่าเจดีย์นี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมส า, ารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ควรจะแยกเป็นต่างเหตุแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีทรัพย์ของเจดีย์เอาขงส่งไปทําได้เพราะส่งควรที่จะอนุเคราะห์หรือว่าควรจะจัดการแบ่งให้เพราะว่าเป็นที่บูชาเป็นการะระลึก ถ, ถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่ว่าจะเอาทรัพย์ของพระเจดีย์มาแบ่งเป็นทำกิจของสงฆ์นี่ไม่ควรแต่จะถือเอาเป็นของขอยืมแล้วใช้คกนให้อย่างเดิมนั้นควรอยู่แต่การที่พิสูจน์ทั้งหลายผู้ทำการก่อปูนขาเป็นต้นที่เจดีย์เมื่อไม่ได้อาหารพอย่างอัตภาพให้เป็นไปจากพิขาจานหรือจากส์จะจ่ายอาหารพอย่างอัตภาพให้เป็นไป จากทรัพย์ของเจดีเบอร์ฉันแล้วกระทำวัดทดแทนก็ควรถ้าเกิดไปทําราดให้ประชดีดีก็เอาทัพย์ของเปชดีนี่มาจ่ายด้วยถ้าอาหารงานทางานให้ก็ได้จะทําสัมปะพัฒ ด, ด้วยปลาและเนื้อเป็นต้นเมือ่อว่าเราทําวัดหาขวดเมื่ยต้นน้อยมีผลเหล่าใดแม้ที่ปลูกไว้ในวัดเป็นของที่สงหวงหฮาย่อมได้การบํารุง พิสูจน์ทั้งหลายย่อมตีระคำและแบ่งกันฉันซึ่งผลม้ยทั้งหลายแห่งต้นบ้อยเหล่าใดได้ต้นบ้อยเหล่านั้นไม่ควรทําอปโลกนกกรรมเพราะว่าก็ตีระคำแบ่งกันฉันอยู่แล้วส่วนต้นบ้อยมีผลเหล่าใดอันสองไม่หวงเฮาด้ต้นบ้อยเหล่านั้นแหลควรทําอัปโลกนกกรรมก็อัปโลกนกกรรมนั้นควรทําแม้ในโรงสลาโรงยาขู่โรงพัดและที่ประชุมอื่น อันหนึ่งในโรงอุโบสถก็ควรทําแท้เพราะว่าฉันทะและปริสุทธิของพิกษุทั้งหลายแม้ผู้ไม่ได้มาในโรงโบสถนั้นอันนี้จดรูปหนึ่งย่อมดํมมาเบอร์ก็นิ้หมายถึงว่าอยู่ในสิีมาเดียวกันทั้งหมดเพราะเหตุ น, นั้นอันเ ป, ปน็นองคกา ร, รนั้นย่อมเป็นกรรมที่ชำระให้หมดจนดีก็แลเมื่อจะทําพึงทําอย่างนี้พิกษุพุชราพึงสวดสการโดยอนุบัติของพิกษุสงว่า พันเตยังอิมัสิงวิหารอันโตสิมายังสังฆสันตะกังบูลตัจัปตะอังกุระปุภาภลาขาดานิยาดีอาทิตตังสัมบังอาคาตาคาตานังภิกขุนังยถาสุขะงปริพุจชิตุงรรจาติติสังฆบุชาบิก็แปลว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าถามสง์ว่า วัตถุมีรากเปลือกใบดอดอกและผลซึ่งควรคบฉันได้เป็นต้นอันเป็นของสงดีอยู่ภายในถเบาในวัดนี้การที่พิกษุทั้งหลายที่มาแล้วมาแล้วมาิโพวกสิ่งทั้งปวงนั้นตามสบายชอบใจสงหรือพึงถามสาครั้งนะอปโรกรนะกรรมนั้นอันพิกตุนสี่ห้ารูปทำแล้วก็เป็นอันทำดีแท้ พิสูจน์สองสามรูปอยู่ในวัดแม่ใดอปโรมกนกายแม้ที่พิกูุเหล่านั้นดั่งทำแล้วในวัดนั้นย่อมเป็นเช่นกับอภรรมกนิกายที่ทรงทําแล้วแท้สองสามรูปนี้ก็ทําได้อภรรมกนิร า, า, า, ายนี้ก็เป็นการที่อ่อนที่สุดอั น, นึงในวัดใดมีพิกูตรรูปเดียวกติกาวัดแม้ที่พิสูจนนั้นผู้ดั่งกระทํามบุปการณ์และบุพกิจกระทําแล้วในวันอุโบสถย่อมเป็นเช่นกับอปโรกนิกนาย ที่สงกระทําแล้วเหมือนกันแล้วก็ทัางพิสูจนรูปเดียวนี้ทงกติกาวัดเหมือนกับทำอันตรกนตกรรมที่ส่งทําแล้วก็แลกติกาวัดนั้นอ น, นิสตุผู้จัดทํแาและทําตามคราวแห่งผลบมายก็ควรกําหนดทำอย่างนี้ว่าสี่เดือนหกเดือนหนึ่งปีว่าตามไม่กําหนดทำว่าตามควรทั้งนั้นในคราวที่กําหนดพึงบริโภคตามที่กําหนดไว้แล้วทําใหม่ ในคราวที่ไม่กำหน ด, ดควรเพียงการที่ต้นไอยทั้งหลายยังทรงอยู่ต้นไมยเหล่า อ, อื่นแม้ใดที่เพาะแล้วด้วยเพื่อทั้งหลายแห่งต้นไมยเหล่านั้นกติกาดอนแหนใช้สหนับต้นไมยเหล่านั้นด้วยก็คือรวมทั้งต้นไม้ที่เพาะไป จ, จากต้นไมยที่ได้ ก, กระทบกติกาไม้กันธุ์ใช้กติกาเดียวกันด้วย ก็ถ้าว่าเป็นต้นบมยที่เพาะปลูกในวัดหนึ่งส่งในวัดซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกทั้งนั้นเป็นเจ้าของต้นไมยเหล่านั้นต้นไมยแม้เหล่าใดอันใครดนำพืชนมาจากที่อื่นปลูกลงที่หลังในวัดดั้งเดิมสำหรับในต้นบมยเหล่านั้นต้องทํากติกายอย่างอื่นเมื่อทํากติกาแล้วต้นบม้เหล่านั้นยอดตั้งอยู่ในฐานเป็นของบุคคลควรบริโภคผลเป็นต้นตาสบาย ก็ถ้าว่าพิกษุน์ทั้งหลายในวัดตั้งเดิมนี้ล้อมโอกาสานั้นนั้นทบริเวณไว้แล้วทํานุบํารุงอยู่พิสูจเหล่าใทดทํานุบํารุงต้นไม้เหล่านั้นตั้งอยู่ในฐานเป็นของบุคคลแห่งพิสูจเหล่านั้นพิสูจเหล่าอื่นย่อมไม่ได้เพื่อบริโภคก็พิสูจเหล่าใดดูแลทํานุบำรุงอยู่เหมือนกับเป็นของบุคคล น, นั้นคนอื่นก็ไม่สามารถหรือว่าไม่อาจนอบริโภคได้ แต่พิสูตผู้ทํานุลํารุงเหล่านั้นต้องให้ตรวจที่สิบแก่สมแล้วจึงบริโภคแม้พิสูตใดเอากิ่บไม้ล้อมรักษาต้นบมยกลางวัดแม้พิสูตนั้นก็ใดดีแลสสำเนียงทั้งหลายนำผลไม้น้อยใหญ่มาถวายพิกษุผู้ควรยกย่องซึ่งไปตูวัดเก่าแก่ด้วยความดีใจว่าพราธิราเบื่อแล้วถ้าว่าในกลางครั้งเดิมพิสูตผู้เป็นพระหูสูตรทรงปริยัติธรรมทั้งสิ้นอยู่ในวัดเดิน พิสูจน์นันพึงบริโภคโดยไม่ต้องมีความระมัดระวัว่าในวัดนี้จะมีกติ ก, กาที่ทําไว้ยั่งยืนเป็นแน่ผลบม้น้อยใหญ่ในวัดย่อมควรแม้แกะพิสูจทั้งหลายพูดถือเป็นหน้าปลาติดกับทุดงคือไม่ยังทุดงให้เสียถ้าเป็นผลไมยในวัดนี้ก็ไม่ยังทุดงให้เสียสาวเมรทั้งหลายถาวายผลไอยเป็นอนมุมากแก่อาจารย์และพระอุปชาตของตนพิสูจเหล่าอื่นเมื่อไม่ได้ย่อมโพลธนา ก็สำเดนถวายเฉพาะแค่อุปชาแล้วก็อาจารย์ของตนที่ผู้อื่นก็พลันาการพลันนานั้นก็เป็นศัพท์ว่าพรธนาเท่านั้นแต่ถ้าเป็นคราวที่พิษาฝืดเคืองชนตั้งหกสิบคนอาศัยขนุนต้นเดียวเลี้ยงชีวิตในการเช่นนั้นต้องแบ่งกันฉันเพื่อประโยชน์จะทำการส่ครักให้ทั่วถึงกันทัาเช่นนี้เป็นการชอบก็แลววัดตามกติกายังไม่ระนับเพียงใด ผลระบยที่พิสูจน์แวนัฉันแล้วเป็นอันฉันแล้วได้ดีแท้เพียงดัก็เมื่อไรเล่าวัดตามกติกาจึงจะระนับต่อว่าในการนสงผู้พ้อมเพียงประชุมการส่วนประกาศว่าตั้งแต่วันนี้ไปพิสูจทั้งหลายจงแบ่งกันฉันในการดวัดกติกาย่อมระนับก็ต้องมีการส่วนประกาศด้วยนะหรือว่าอัปโลกทํากติกาใหม่ อันหนึ่งในวัดที่ดีทิสูตรรูปเดียวแบเมื่อพิกษตรูปหนึ่งส่วนประกาศกติการเดิมก็ย่อมบรรณับเหมือนกันถ้าว่าเมื่อกติการรรณับแล้วสมเนียงทั้งหลายหาได้ยังผลละไทั้งหลายให้หล่นจากต้นใบหาได้เก็บผลละไจากพื้นดินทวารพิสูตทั้งหลายใบเที่ยวเหยียบผลละไที่หล่นแล้วเสียด้วยเทา้าสงพึงเพิ่มผลละไมให้แก่สำเนรยเหล่านั้นตั้งแต่ส่วนที่10จนถึงกึ่งส่วนแห่งผลละไ เพราะได้เพิ่มส่วนพวกเธอจัดนมมาถวายได้แท้ในคราวที่พิกษ์หาได้ง่ายอีกเมื่อกับยักษารกทั้งหลายมาทําการล้อมด้วยกิ่งไม้เป็นต้นรักษาต้นไม้ไว้ไม่ต้องให้ต่วนเพิ่มแก่พวกสา ม, มเณรพึ่งแบ่งกันบริโภคสา ม, มเณรทีก่ก็มีความสําคัญถ้าพิษรหาได้ยากดีกว่ายิ่งจะต้องอาศัยสา ม, มเณรเรื่องของผลไม้เรื่องของการทํากับยักษ์อะไรต่างๆ จนเมื่อไหร่จากบ้านรอบวัดคิดว่าในวัดมีผลไม้น้อยใหญ่จึงมาขอเพื่อประโยชน์แก่คนไข้หรือหยิงมีคันโดยขอว่าขอท่านจงให้บัพรพี๊หนึ่งผลจงให้บําร้วงหนึ่งผลจงให้ขนุนสับรอหนึ่งผลถามว่าควรให้หรือไม่ควรให้จะเป็นการบรรทุกสารสกุลไหมตอบว่าควรให้แล้วก็ไม่เป็นการบรรทุกสาระสกุลด้วยนะเมื่อบีจิตใจอนุเคราะห์เพราะว่าเมื่อพิจิตนทั้งหลายไม่ให้ พวกเขาจะทาการเสียใจแต่เมื่อจะให้ควรให้ประชุมสมส่วนประกาศเพียงครั้งที่สามทัดอปารโลกณะกรรมหรือพึงทำกติกาวัดตั้งไว้แล้วเขาก็จะเสียใจด้วยหมดศรัทธาด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าเกิดเป็นคนอันตถานีเขาก็อาจจะมาโควนต้นไม้ของสมเลยก็ได้มนทำร้ายพระพิสุก็ได้เพราะฉะนั้นก็ควรอปัรโลให้ ก็แลกตัดจิกาวัตนั้นอันสองตนทำอย่างนี้ที่สุ่ผู้ฉลาด์พึ่งสวดประกาศโดยอนุมัติของสองอ์ว่าสามันตะคาเมหิมโนซาอาคันตวาคิลานาดีดังคิลานาดีดังอัตายาพลาพลัมยาจันติเดเวนาลิเกราดิเดเวตาละลาณิเดเวปนสะซาิ ปัญจาอัมบานีปัญจะกาทะลีบาลานิขันธ์หันตาเนิองอนิวาระ์เนืองอสุกรุขโตจะอสุกรุขโตจะพลังขันธันตาเนิองอนิวาระเนิงรุจ ต, ติภิกขสุสงคะเซะก็แปลว่าชนทั้งหลายจากบ้านรอบวัดมาขอผลไม้น้อยใหญ่เพื่อประโยชน์แก่คนไข้เป็นต้น การที่ไม่เฮาชนเหล่านั้นผู้ถือเอาบะพร้าวสองผลการสองผลขนุนสองผลมะบ่วงห้าผลด้วยห้าผลและการที่ไม่เฮาบชนเหล่านั้นผู้ถือเอาผลไอยจากต้นไอยหนูนและต้นไม้ห น, นูย่อมชอบใจแกที่ถูกส่สงหรือดังนี้พึงสวดสามครั้งจำเดิมแต่เดินชนเหล่านั้นเมื่อระบุชื่อคนไข้เป็นต้นขออันที่ตูทั้งหลายได้พึงกล่าวว่าเอาเถิด ก็คือไม่ต้องไปบอกเขาไปเอาเลยจะเอาเลยต้นนั้นอร่อยต้นนี้อร่อยแต่เพิ่งบอกวัดว่าส่งได้ตกลงไม่เฮาชนทั้งหลายผู้ถือเอาผลบะพร้าวเป็นต้นโดยจำกัดชื่อนี้ก็คือบอกตามที่ได้สมมุติหรือว่าได้อาปตะ ก, กันไว้นะว่ามะพร้าวสองผลตาสองผลกระดุลสองผลก็บอกเข้าไปก็เอาถือเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาก็แล้วกันและผู้ถือเอาผลละไม้จากต้นไม้นูนและจากต้นไม้นูน แต่ไม่พึงเที่ยวตามบอกว่าบะู่ต้นนี้มีผลอร่อยถ้านจงเก็บจากต้นนี้ควรที่จะไปตามบอกถึงนี้นะก็บอกตามกติกาของสองฆ์ที่ตั้งไว้นั่นแหละอันึ่งที่ตัวอันสองส ม, มุติแล้วพึงให้กึงส่วนแก่ชวนเหล่านั้นผู้มาแล้วได้เวลาแบ่งผลไม้ที่ตัที่สองไม่ได้กสบ ม, มติพึงอับปลงให้บุคคลผู้สิ้นสบียนก็ดีพ่อค้ารวะกุยผู้จะเดินทางก็ดี อิสระชนอื่นก็ดีมาขอพึงอปโลโโกให้เมื่อเขาเก็บกินโดยพะตการก็ไม่พึงเฮาเพราะถ้าไปเฮาแล้วเขาโกรจะพึงตัดต้นไม้เสียก็ได้จะพึงทำความชิดถอยอย่างอื่นก็ได้เมื่อเขามายังบริเวณส่วนตัวบุคคลขอโดยชื่อกดไข่เพียถูผู้เป็นเจ้าของพึงบอกว่าฉันปลูกไว้เพื่อประโยชน์แกร่มเ ง, งเป็นต้นถ้าผลดีท่านจะรู้เอาเองเอถิดสนี้ก็ไม่ไียกว่าเป็นการให้ เพราะว่าบอกเป็นเชิญรู้กันเลยนะว่าไม่ได้หวงหรอกเพราะว่าปลูกเอาไว้เพื่อจะได้ร่มเงาถ้ามันมีผลก็จงรู้เอาเองรู้เองก็คืออยากได้ก็ไปเอาเดินแหละก็ถ้าว่าต้นไม้ทั้งหลายมีผลดกที่สุเอาหนามสระไว้ชั้นผลเป็นคราวคราวที่สุนั้นเมื่อไม่หวังตอบแทนแล้วก็พึงให้เมื่อเขาเก็บเอาโดยพนักานก็ไม่ถึงเพิ่ม เหตุนในข้อที่ไม่ควรทำดีได้กล่าวแล้วก็คือเขาจะโค่นต้นบอยหรือว่าจะทำร้ายเอาส่วนผลบม้ของสงมีอยู่แต่ไม่ได้รับการบำรุงหากว่าภิกตุบางรูปบำรุงสวนนั้นด้วยมุ่งวัดเป็นใหญ่ส่วนนั้นยังคงเป็นของสงแม้ถ้าว่าสงจะมอบให้เป็นภาระของนิษุผู้สามเณรบางรูปว่าสัตว์มรดถ้าจช่วยบารุงสวนนี้ให้เิด หากพิจูนั้นบำรุงบุ้งวัดแม้อย่างนี้ก็ยังเป็นของสงอย่างเดิมแต่สงพึงให้ส่วนเพิ่มเพียงส่วนที่สามหรือกึ่งส่วนแต่พิจุผู้หวังส่วนเพิ่มก็แลเมื่อเธอกล่าวว่าเป็นกรรมหนักแล้วไม่ปรารถนาด้วยส่วนเพิ่มเพียงเท่านั้นพิกจุทั้งหลายพึงกล่าวบ้างว่าท่านจงทําผลบายทั้งหมดให้เป็นของท่านคนเดียวจงให้เพียงส่วนที่สิบเป็นส่วนบูรค่าแล้วบำรุงเธอ แต่ไม่อพึงให้ด้วยอำนาจขาดบุญค่าเพราะส่วนดั้เป็นครุพันก็ให้ดูแลประสงฆ์เพราะสงก็จะได้ใส่ส่วนที่สิทดั้นเพื่อจะให้พระภิกษุสงได้ที่ส่วนโดยการฉันผลไม้เหลานั้นด้วยภิกษุผู้ให้ส่วนแห่งบุญค่าแล้วฉักดั้นให้สร้างเศนาสนะที่อยู่ซึ่งยังไม่ได้สร้างบ้างทํานุบำรุงเศนาสนะที่สร้างแล้วบ้างแล้วมอบส่วนแก่พวกนิสิต แต่พวกนี้เิร็จนั้นก็พึงให้ตัวแห่งบุญค่าลูกศิษย์ก็จะต้องให้บุญค่าแก่งสงฆ <"K h. S 2> ์ด้วยนะก็พิกิตรทั้งหลายสามารถจับบัมรุงเองในการใดในการนั้นสงไม่พึงให้พิจิตเหล่านั้นบัมรุงไม่พึงห้ามในการที่ผลไม้อันพวกเธอได้บัมรุงแล้วพึงห้ามในเวลาที่เริ่มบัมรุงเท่านั้นพึงกล่าวว่าพวกท่านได้ฉันบเบิกแล้วแบบนี้อย่าบัมรุงเลยพิกิตรสง์จักบัมรุงเอง ก็ท่าว่าผู้บํารุงด้วยมุ่งวัดก็ไม่มีผู้บํารุงด้วยมุ่งส่วนเพิ่มก็ไม่มีทั้งส่งก็ไม่สมามารถจะบํารุงเองไซต์ที่สูต ร, รูปหนึ่งไม่เรียนสงก่อนบํารุงเองทําให้เจริญแล้วหวังส่วนเพิ่มส่วนเพิ่มอันสง์พึงเพิ่มให้ด้วยอัปะโะลง ก, กนักกรรมอัปะโะล ก, กนกกรรมแบ้ทั้งตวงนี้จัดเป็นกรรมนักสนัแท้อัปปลง ก, กนกกรรมย่อมถึงฐานะเพเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ เป็นเรื่องของอวันนิยตามหมายถึงการไม่ไหวที่สุผู้ประพฤติไม่ดีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการอัปโ่อให้พลาผลผลไบ้หรือว่าส่วนเพิ่มอะไรต่างๆเหล่านี้นะก็จัดว่าเป็นกรรมลักษณะทั้งหมดเลยวันนี้ก็สมควรแก่เวลาส่วนเรื่องของจัตติกรัรมจไว้กล่าวในวันทุ่นี้ก็ขอท่นบุตรสอสาธุแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาในพระศาสดา ด้ศึกษาคำสอนของพระสะมมาสมพุทธเจ้าและพระน้อมดรรมในแปลพื้นปฏิบัติขอให้ท่านมีตัวนในการเห็นทําที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอริยสาวกได้เห็นแล้วแล้วก็อคอยประจักวัะทุกโดยทั่วกันเถิดสาทุสาธุสาธุ